ธรรมบทแปลเรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่งภาคที่สามเรื่องที่45หพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระเจ้าประเสนิที่โกศลและบุรุษคนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศานานิว่าทีฆาชาคารโตรติที่ข้างสันตสะ โยชนังทีโกภาละนะสังสาโรสัทธธรรมมังอวิชานตังแปลว่าราตรีของคนผู้ตื่นอยู่นานโยอของคนล้าแล้วไกลสงสารของคนผ่านทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ่งสัทธรรมย่อมยาวได้ยินว่าในวันมโหรสบวันหนึ่ง พระราชาพระนามว่าพระเจ้าบาเซนทิโกสนทรงช้างเผือกล้วนเชือกหนึ่งชื่อปุญทรีกะซึ่งประดับประดาแล้วทรงทำประทักษิณประนกรด้วยอนุภาพแห่งพระราชาอันใหญ่เมื่ออาญาเป็นเหตุให้บุคคลลุกไปเป็นไปอยู่คือตำรวจกำลังทำการขับไล่คน ไม่ให้ยืนเก่ ก, กาต่างเสด็จมหาชนถูกราชบุรุษโบยด้วยวัตถุมีก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นให้หนีไปบางคนก็ยังเยี่ยวคอกลับแลดูอยู่นั่นแหลได้ยินว่าข้อนี้เป็นผลแห่งทานที่พระราชาทั้งหลายทรงถวายดีแล้วตอนอำนาจแห่งความรัก ก็มีภรรยาของทุกขตะบุคคลแม้คนใดคนหนึ่งยืนอยู่ที่พื้นชั้นบนแห่งปราสาทเจ็ดชั้นเปิดบานหน้าต่างบานหนึ่งพ่อแลดูพระราชาแล้วก็หลบไปการหลบไปของหญิงนั้นปรากฏแก่พระราชาราวกับว่าพระจันเพนเข้าไปสู่กลีบเมฆเทวเธอทรงมี ปฏิพัฒ์ในหญิงนั้นเป็นประหนึ่งว่าถึงอาการพลัดตกคอช้างส่งรีบกระทำประทักษิณพระนกรแล้วเสด็จเข้าสู่ภายในพระราชวังตรัสกับอำมาตคนสนิทในหนึ่งว่าก็ประสาทที่เราแลดูอยู่โน้นเธอเห็นไหมอำมาตเห็นพระชค้าพระราชาเธอได้เห็นหญิงคนหนึ่ง ในประสาทนั้นไหมเห็นพระเจ้าข้าอมัดเธอจงไปจงรู้ความที่หญิงนั้นมีสามีหรือไม่มีสามีอมาดนั้นได้ไปแล้วทราบความที่หญิงนั้นมีสามีจึงมากราบทูลแก่พระราชาว่าหญิงนั้นมีสามีพระเจ้าข้าทีนั้นพระราชาจึงตรัสว่าถ้ากระนั้น เธอจงเรียกสามีของหญิงนั้นมาอมาบาดนั้นไปพูดว่าแน่นายมานี่พระราชารับสั่งหาท่านบุตษนั้นจึงได้คิดว่าอันภัยจะพึงเกิดขึ้นแก่เราเพราะอาศัยภรรยาก็เมื่อไม่อาจจะขัดขืนพระราชอาดยาจึงได้ไปถวายบังคมพระราชายืนอยู่แล้วขณะนั้นพระราชาตรัส กับบุตนั้นว่าเธอจงบำรุงเราบุุษนั้นค่าแต่สมมติเทพอย่าเลยข้าพระองค์ทำการงานของตนถวายสวยแด่พระองค์แล้วการเลี้ยงชีพนั่นแลจงมีแก่ข้าพระองค์เถิดพระราชาเราไม่มีความต้องการด้วยสวยของเธอจำเดิมแต่วันนี้ไปเธอจงบำรุงเราแล้วก็ให้พระราชทานโลกและอาวุธ แกบุรุษนั้นได้ยินว่าพระราชาได้ทรงดำริอย่างนี้ว่าเราจะยกโทษบางอย่างของเขาขึ้นแล้วค่าเสียริบเอาภรยาก็าที่นั้นเขากลัวแต่มรณะภัยเป็นผู้ไม่ประมาทบารงพระราชานั้นแล้วพระราชาไม่ทรงเห็นช่องคือโทษแห่งบุรุษนั้น เมื่อความเร่าร้อนเพราะการรมเจริญอยู่ได้มีความดำรีว่าเราจะยกโทษของบุรุษนั้นขึ้นสักอย่างหนึ่งแล้วลงอาญาจึงรับสั่งให้เรียกบุรุษนั้นมาแล้วตรัสว่าผู้เจริญเธอจงไปจากที่นี้สู่ที่ชื่อนอนแห่งแม่น้ำในที่สุดประมาณห้าโยชนำเอาดอกโกมุตดอกอุบล และดอกสีอรุณมาให้ทันในเวลาเราอาบน้ำในเวลาเยน็นถ้าเธอไม่พึงมาในขณะนั้นเราจะลงอาญาแก่เธอตอนความลำบากในราชสำนักได้ยินว่าเสวกหรือผู้รับใช้คือเสวกะลำบากกว่ า, าธาตุแม้ทั้งสี่จริงอยู่ทาดทั้งหลาย มีทาาที่เขาถ่ายมาด้วยซับเป็นต้นอย่างได้เพื่อจะพูดว่าผมปวดศีรษะผมปวดหลังแล้วจึงพักผ่อนคำที่ทาาทั้งหลายกล่าวแล้วได้พักผ่อนนั้นย่อมไม่มีแก่เสวะกะเสวะกะหรือเสวกควรทำการงานตามรับสั่งเท่านั้นเพราะเหตุ น, นั้นบุรุษนั้นคิดอยู่ว่าเราต้องไปเป็นแน่แท้ ชื่อว่าดินสีอรุณกับดอกโกมุตและดอกอุบลย่อมเกิดในภพแห่งหนาคเราจะได้จากที่ไหนเขากลัวแต่มรณะภัยได้ไปเรือนแล้วกล่าวว่าล่อนพัฒตาหารสำหรับฉันสำเร็จแล้วหรือภรยายังตั้งอยู่บนเตาเลยนายเขาไม่อาจจะรออยู่จนกว่าภรยาจะทำพัดเสร็จลงได้ จึงให้ภรรยาเอากระบวยตักน้ำข้าวเทปนกับข้าวที่แฉะนั่นเองลงในกระเชา้าพร้อมด้วยกับข้าวตามแต่จะได้ถือเอาแล้วเดินดุมไปแล้วสิ้นทางโยศหนึ่งเมื่อเขากำลังเดินไปนั่นเองพัฒหารได้สุขแล้วเขาแบ่งพัดไว้หน่อยหนึ่งกระทำให้ไม่เป็นเดนบริโภคอยู่ เขาพบคนเดินทางคนหนึ่งแล้วจึงกล่าวกับผู้นั้นว่านายอาหารหน่อยหนึ่งเท่านั้นฉันแบ่งออกทำไม่ให้เป็นเดนมีอยู่เธอจงรับบริโภคเถิดนายเขาก็รับไปบริโภคแล้วเขาเองก็โปรยพัดลงในน้ํากับมือหนึ่งบ้วนปากแล้วประกาศขึ้นสามครั้งด้วยเสียงอันดังว่า ขอพวกนาคครุฑและเทวดาผู้สิงอยู่ในประเทศแห่งแม่น้ำนี้จงฟังคำของข้าพเจ้าพระราชาทรงปรารถนาจะลงอาญาแก่ข้าพเจ้าทรงบังคับว่าเธอจงเอาดินสีอรุณกับดอกโกมุตและดอกอุบลมาก็พัดที่ข้าพเจ้าให้แล้วแก่มนุษย์เดินทางทานที่ข้าพเจ้าให้แล้วนั้น มีอานิสงส์ตั้งพันพัดที่ข้าพเจ้าให้แก่ปลาทั้งหลายในน้ำทานที่ข้าพเจ้าให้นั้นมีอานิสงส์ตั้งร้อยข้าพเจ้าให้ผลบุญประมาณเท่านี้ให้เป็นส่วนบุญแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงนำดินสีอรุณกับดอกโกมุตและดอกอุบนมาให้แก่ข้าพเจ้าเถิดก็พญานาคผู้อาศัยอยู่ในสถานที่นั้น ได้ยินเสียงนั้นจึงไปสู่สำนักบรุษนั้นด้วยเพศแห่งคนแก่แล้วกล่าวขึ้นว่าท่านพูดอะไรบรุษนั้นจึงได้กล่าวซ้ำอย่างนั้นนั่นแหละเมื่อพญานาคกล่าวว่าท่านจงให้ส่วนบุญนั้นแก่เราบรุษผู้นั้นจึงกล่าวว่าฉันให้แกเธอเมื่อพญานาคกล่าวแล้วแม้อีกว่าท่านจงให ก็กล่าวคำยืนยันว่าเราให้ปรยาณาั้นนำส่วนบุญมาอย่างนั้นสิ้นสองถึงสามกล่าวแล้วจึงได้ให้ดินเสียรุนกับดอกโกมุตและดอกอุบลแก่บุุษนั้นฝ่ายพระราชาทรงดำริว่าธรรมดามนุษย์ทั้งหลายมีมนมากถ้าบุุษนั้นพึงได้ของนั้นด้วยอุบายอย่างใดไซ กิจของเราก็ไม่พึงสําเร็จท้าวเธอจึงรับสั่งให้ปิดประตูเมืองเสียแต่หัววันทีเดียวแล้วได้นําลูกดานคือลูกกุญแจไปเก็บอย่างในสํานักของพระองค์เองบุรุษผู้นั้นมาทันในเวลาที่พระราชาทรงสนานเหมือนกันแต่เมื่อเข้าประตูเมืองไม่ได้จึงเรียกยามเฝ้าประตูแล้วกล่าวว่า ท่านจงเปิดประตูในยามผู้เฝ้าประตูกล่าวว่าเราไม่อาจจะเปิดได้พระราชารับสั่งให้นําลูกกุญแจไปสู่พระราชมนเทียนแต่การยังมันทีเดียวบุตรุู้นั้นแมบอกว่าเราเป็นราชทูตท่านจงเปิดประตูก็เมื่อไม่ได้จึงคิดว่าแบบ น, นี้เราจะไม่มีชีวิตเราจะทํายังไงดีนอแล แล้วโยนก้อนดินไปที่ธรณีประตูข้างบนแวกนดอกไม้ไว้บนธรณีประตูนั้นตะโกนร้องขึ้นสามครั้งว่าชาวพระนครผู้เจริญทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงรู้ความที่กิจหันข้าพเจ้ากระทำตามรับสั่งของพระราชาแล้วเถิดพระราชาทรงใคร้จะยังเราให้พินาศด้วยเหตุไม่สมควร อดุลคนนั้นจึงคิดอยู่ว่าเราจะไปที่ไหนดีนอแลเราได้ทําความตกลงใจว่าธรรมดาภิกษุทั้งหลายมีใจโอนโยนเราจะไปสู่วิหารแล้วนอนก็ธรรมดาสัตว์เหล่านี้ในเวลาได้รับสุขไม่ทราบแม้ความที่ภิกษุทั้งหลายมีอยู่พอถูกทุกข์คราบงำจึงปรารถนาจะไปวิหาร เพราะเหตุนั้นแม้บุตรนั้นก็คิดว่าที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีจึงได้ไปอย่างวิหารนอนอยู่ในที่สําราญแห่งหนึ่งแม้เมื่อพระราชาไม่ได้การหลับอยู่ตลอดราตรีทรงรำพึงถึงหญิงอยู่ความรุ่มร้อนพระการมเกิดขึ้นแล้วเท้าเธอทรงคิดว่าในขณะที่ราตรีสว่างแล้วนั่นแหละ เราจะให้ข้าบรุษนั้นเสียแล้วให้นำเอาหญิงนั้นมาตอนเรื่องของเปรตผู้กล่าวอักษรทุสนานโสในขณะนั้นนั่นแลบบรุษสี่คนซึ่งเกิดในนรกชื่อโลหะกุมพีซึ่งลึกได้หกสิบโยน์ถูกไฟนรกไหมกลิ้งไปมาอยู่ดุดข้าวสารในหม้อ ที่กำลังเดือดพล่านจมลงไปถึงพื้นภายใต้สามหมื่นปีแล้วลอยขึ้นมาถึงที่ขอบปากโดยสามหมื่นปีอีกสัตว์นกเหล่านั้นยกศีรษะขึ้นแลดูกันและกันแล้วปรารถนาเพื่อจะกล่าวคาถาคนละคาถาแต่ไม่อาจจะกล่าวได้จึงกล่าวตัวอักษรคนละตัวอักษร แล้วหมุนกลับไปสู่โลหะกุมพีอย่างเดิมพระราชาเมื่อไม่ทรงได้การหลับได้ยินเสียงนั้นในระบางแห่งมัชิมยามชงหวาดวันมีพระไทยสะดุง้งจึงมีความนําเล่าว่าอันตรายแห่งชีวิตจะมีแกเราหรือหนอหรือจะมีแก่พระอัครมเหสีหรือราชสมบัติของเราจะพินาศพระราชา ไม่อาจหลับพระเนตรทั้งสองได้ตลอดคืนยันรุ่งพอเวลาอารุณขึ้นเท้าเธอจึงรับสั่งให้หาปุโรหิตมาแล้วตรัสถามว่าอาจารย์เสียงที่น่ากลัวอย่างมากเราได้ยินในระหว่างแห่งมัจจิมยามเราไม่ทราบว่าอันตรายจะมีแก่ราชสมบัติหรือแก่พระมเหสีหรือแก่เราหรือแก่ใครหนอ เพราะเหตุนั้นเราจึงเชิญท่านมาตอนปรามโง่ให้พระราชาบูชายันโปรหิณจึงได้กล่าวว่าข้าแต่มาราชเสียงที่พระองค์สดับนั้นว่าอย่างไรพระราชาอาจารย์เราได้ยินเสียงเหล่านี้ว่าทุสะนะโสท่านจงใกรครุคนผลสำเร็จ แห่งเสียงเหล่านั้นดูเหตุอะไรอะไรย่อมไม่ปรากฏแก่บามราวกับเข้าไปสู่ที่มืดอันกว้างใหญ่แต่บุโรหิตนั้นกลัวว่าก็ถ้าเมื่อเราทูลว่าข้าพระองค์ไม่ทราบลาบสการะของเราจะเสื่อมจึงได้พูดขึ้นว่าข้าแต่มาราชเหตุนี้หนักหนอพระราชาเหตุอะไรหรืออาจารย์ บุโรหิตอันตรายแห่งชีวิตจะปรากฏแก่พระองค์พระราชาทรงบาดวันขึ้นเป็นสองเต่าตรัสว่าอาจารย์เหตุเรื่องบำบัดอะไรๆมีอยู่หรือไม่บุโรหิตมีอยู่มาราชพระองค์อย่าทรงวาดวันเลยข้าพระองค์รู้พระเวททั้งสามพระราชาเราได้อะไรเล่าจึงจะควรบุโรหิต ขอเดชะพระองค์ทรงบูชายันมีสัตว์อย่างละหนึ่งรทุกอย่างแล้วจะได้ชีวิตประราชาได้อะไรจึงจะควรโปรหิตนั้นเมื่อจะให้จับปาณชาติชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งให้ได้ชนิดละหนึ่งอย่างนี้คือช้างหนึ่งรยม้าหนึ่งรโคอุสภะหนึ่งแม่โคนมหนึ่งแพะหนึ่งร้อย แกะห0ไก่100สุกร100เด็กชาย100เด็กหญิง100งแล้วจึงคิดว่าถ้าเราจะให้จับเอาแต่พวกเนื้อเท่านั้นชนทั้งหลายก็จะพูดว่าโรหิตให้จับเอาแต่สัตว์ที่เป็นของกินได้สำหรับตนเท่านั้นเพราะเหตุ น, นั้นจึงให้จับทั้งพวกช้างมา้าและมนุษย์ด้วย พระราชาทรงมีความดมรีว่าความเป็นอยู่ของเรานั่นแหละเป็นราบของเราแล้วจึงได้ตรัสว่าท่านจงจับสัตว์ทุกชนิดโดยเร็วปวกมนุษย์ผู้ได้รับสั่งก็จับเอามามากเกินประมาณจึงอยู่พระธรรมสังฆหากาจาร์กล่าวแม้คำนี้ไว้ในโกศลสั่งยุตว่า ก็โดยสมัยนั้นแหลยันอันใหญ่เป็นอาการปรากฏเฉพาะแก่พระเจ้าประสินที่โกศลแล้วโคอุสภะห้ารลูกโคตัวผู้ห้าร้ลูกโคตัวเมียห้าร้อแพห้าร้แกะ5้าร้ถูกนำเข้าไปหาหลักแล้วเพื่อประโยชน์แห่งยันแม้จนเหล่าใด ของพระชาประสิที่โกศล น, นั้นคือทาตก็ดีทาสีก็ดีคนใช้ก็ดีกรรมกรก็ดีแม้ชนเหล่านั้นก็ถูกเขาคุกคามด้วยอาญาถูกภัยคุกคามแล้วมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาร้องไห้กระทำบริกรรมคร่ำครวญอยู่ตอนพระนางมลิกาทรงเปลื้องทุกข์ของสัต มหาชนคร่ำครวญอยู่เพื่อประโยชน์แก่หมู่ญาติของตนของตนได้ร้องเสียงดังแล้วเสียงนั้นได้เป็นราวประหนึ่งกับเสียงตลมแห่งมหาปติปีครานั้นพระนางมริการเทวีทรงสดับเสียงนั้นแล้วเสด็จไปสู่ราชสำนักทูลถามว่าข้าแต่มหาราชเพราะเห็นไรนอแล พระอินทรียีของพระองค์ไม่เป็นปกติพระองค์ย่อมทรงปรากฏดุดมีพระรูปอิทรอยพระราชาประโยชน์อะไรของเธอเล่ามลิกาเธอไม่รู้อสสารพิษเลื้อยอยู่ในที่ใกล้หูของเราหรือมลิกานั่นอะไรหรือพระชค่าข้พระราชาในส่วนราตรีเราได้ยินเสียงชื่อเห็นป่านนี้เราจึงถามบรุรหิต ได้ทราบว่าอันตรายแห่งชีวิตย่อมปรากฏแก่พระองค์พระองค์ทรงบูชายันมีสัตว์ชนิดละหนึ่งทุกชนิดแล้วจะได้ชีวิตเราจึงคิดว่าความเป็นอยู่ของเรานั่นแหละเป็นลาบของเราจึงสั่งให้จับสัตว์เหล่านั้นไว้แล้วพระนางมริกาทเทวีจึงตูนขึ้นบากข้าแต่มหาราชพระองค์เป็นคนอันธพา์ ทรงมีผักสามากพระองค์ย่อมสวยโผชนะอันหุงด้วยข้าวตั้งนานมีสูปะและพยัญชนะหลากหลายอย่างพระองค์ทรงครองราชในแคว้นทั้งสองก็จริงแต่พระปัญญาของพระองค์อย่างเขาพระราชาพระเอกรายเธอจึงพูดอย่างนั้นนางมริกาการได้ชีวิตของคนอื่นเพราะการตายของคนอื่นพระองค์เคยเห็นณนที่ไหน เพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงเชื่อถ้อยคำของพรามผู้อันตับ น, นั้นแล้วโยนทุกไปในเบื้องบนของมหาชนเล่าพระศาสดาผู้เป็นอัครบุคคลของโลกทั้งเทวโลกมีพระยาณไม่ขัดข้องในการทั้งหลายมีอดีตการเป็นต้นประทับอยู่ในวิหารใกล้เคียงพระองค์ทูลถามพระศาสดานั้นแล้วจงกระทาตามพระโอวาทของพระองค์เถิด เรานั่นและพระราชาจึงเสด็จไปวิหารกบนางมัลิกาด้วยยานเบาพระราชาถูกความกลัวคือมรณภัยคุกคามแล้วจึงไม่อาจจะทูลอะไรไรได้ถวายบังคมพระาศาสดาแล้วประทับนั่งณนะส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระาศาสดาทรงทักทายพระราชานั้นก่อนว่าเชิญเถิดมหาปิษ พระองค์เสด็จมาจากไหนตั้งแต่ยังหัววันนักเล่าพระราชาแม่นั้นก็ทรงนิ่งเงียบเสียลำดับนั้นพระนางมัลลิกาจึงกราบทูลแก่พระผู้มีพระบากเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ทราบว่าพระราชาทรงสับเสียงประหลาดในระหว่างแห่งมัชิมยามเมื่อเช่นนั้น เท้าเธอจึงบอกเหตุนั้นแก่บุโรหิตบุโรหิตกราบทูลว่าอันตรายแห่งชีวิตจะมีแก่พระองค์เมื่อพระองค์จับสัตว์อย่างละหนึ่งรทุกชนิดบูชายันด้วยโลหิตในคอของสัตว์เหล่านั้นเพื่อประโยชน์แก่อันกระจัดอันตรายเสียพระองค์จะได้ชีวิตพระราชาให้จับสัตว์ไว้เป็นนันมากเพราะเหตุนั้น หม่อมฉันจึงนำพระราชามาหน้าที่นี้พระเจ้าข้าพระศาสดาหมหาบพิษได้ยินม่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือพระราชาอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระศาสดาก็เสียงันงนพระองค์สรดับแล้วเป็นอย่างไรพระราชานั้นทูลโดยตานองที่พระองค์สรดับแล้วแสงสว่างเป็นอันเดียวได้ปรากฏแก่พระตถาคต พระาะทรงสดับเนื้อความนั้นลำ ด, ดับนั้นพระาศาสดาตรัสกับพระราชา น, นั้นว่าพระองค์ยาวาดวันเลยม้าบพิษอันตรายไม่มีแก่พระองค์สัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมลามกเมื่อกระทำทุกข์ของตนของตนให้แจ้งจึงกล่าวอย่างนี้ก็กามอะไรอันสัตว์เหล่านั้นกระทำไวพ้พระชก้าตอนพระศาสดาทรงสแสดงโทษ พระทาริกกรรมพระผู้มีพระพาเจ้าเมื่อจะทรงแสดงกรรมของสัตว์น ร, รกเหล่านั้นจึงตรัสว่าถ้ากระนั้นพระองค์จงฟังมหาปิษฐ์แล้วทรงนอาอดีตนิทานมาตรัสเล่าต่อว่าก็ในอดีตการเมื่อมนุษย์มีอายุสองหมื่นปีพระผู้มีพระพาเจ้าพระนามว่ากัสสปะ กูบันขึ้นในโลกสเสน่ห์เที่ยวจาริกไปด้วยกับพระกีนาศพสองหมืได้สเสด็จถึงกรุงพราราณสีชาวกรุงพราราณสีสองคนบ้างสามคนบ้างมากกว่าบ้างรวมเป็นพวกเดียวกันยังอาคันตุกะทานให้เป็นไปแล้วก็ในการนั้นในกรุงพราราณสีมีเศรษฐีบุตรสี่คน มีสมบัติ40สิบโกรเป็นสหายกันเศรษฐีบุตรเหล่านั้นปรึกษากันว่าก็ในเรือนของพวกเรามีทรัพย์มากพวกเราจะกระทำอะไรด้วยทรัพย์นั้นก็เมื่อพระพุทธเจ้าเห็นป่านนั้นที่เหวจาวริกอยู่บรรดาเศรษฐีบุตรเหล่านั้นไม่ได้มีความคิดเลยว่าพวกเราจะถวายทานจะกระทำการบูชา จะรักษาศีลแต่คนหนึ่งกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าพวกเราดื่มสุราที่เข้มเคี้ยวกินเนื้อที่มีรสอร่อยจะเที่ยวไปชีวิตนี้ของพวกเราจะมีผลอีกคนหนึ่งกล่าวว่าพวกเราจะบริโภคพัดแห่งข้าวสารแห่งข้าวสาลีมีกลิ่นหอมที่เก็บค้างไว้สามปีด้วยรสเลิศต่างๆทเที่ยวไปอีกคนหนึ่งกล่าวว่า พวกเราจะให้เขาทอดของควรเคี้ยวแปลกๆมีประการต่างๆเขียยกินเที่ยวไปอีกคนหนึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าแน่เพื่อนพวกเราจะไม่กระทํากิจอะไรๆแม้อย่างอื่นหญิงทั้งหลายเมื่อเรากล่าวว่าจะให้ทรัพย์ชื่อว่าไม่ปรารถนาย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นพวกเรารวบรวมทซั์ไว้แล้วจะประเลาประโลมหญิง ทำปราาริกกรรมคือการประพฤติผิดในภรยาของชายอื่นเศรษฐีทั้งหมดถึงรับคำว่าดีแล้วได้ตั้งอยู่ในถ้อยคำของคนที่สี่นั้นจำเดิมแต่นั้นมาเศรษฐีบุตรเหล่านั้นทรงทรัพย์ไปเพื่อบำเรอหญิงที่มีรูปงามกระทำปาราตาริกกรรมตลอดสองหมื่นปี กระทำกาละแล้วบังเกิดในอเวจีมหานรกเศรษฐีบุตรเหล่านั้นไม่แล้วในนรกสิ้นพุทธันดอรหนึ่งกระทํากาละในนรกนั้นและด้วยเศษผลกรรมก็เกิดในโละกุมพีนรกอันลึกหกสิบโยน์จมลงถึงพื้นภายใต้สามหมื่นปีลอยขึ้นมาถึงปากหม้อ โดยสามหมื่นปีอีกเป็นผู้ใครจะกล่าวคาถาตนละหนึ่งคาถาแต่ไม่อาจจะกล่าวได้กล่าวตนละอักษรแล้วก็หมุนกลับลงไปสู่หม้ออย่างเดิมอีกพระองค์จงบอกมหาพิษฐ์พระองค์ได้สดับเสียงชื่ออย่างไรที่แรกพระราชาเสียงว่าทุกประชค้า พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงคาถาที่สัตว์นรกนั้นกล่าวไม่เต็มทำให้เต็มจึงตรัสว่าเสียงที่ว่าทุมาจากทุตชีวิตะมะชีวิมหาเยสันโนนะทะัธรรมหะเสวิชมาเนสุโพเคสุทีปังนากรัรมหะอั ต, ตโนติแปลว่า เราทั้งหลายเราใดเมื่อโภคาทั้งหลายมีอยู่ไม่ได้ถวายทานไม่ได้ทำที่พึ่งแกต่ตนพวกเราทั้งหลายจัดว่ามีชีวิตชั่วชาแล้วลำแบบนั้นพระศาสดาครั้นประกาศเนื้อความแห่งกาถานี้แก่พระราชาแล้วได้ตรัสถามว่ามหาบพิษเสียงที่สอง เสียงที่สามและเสียงที่สี่พระองค์ได้สเดบว่าอย่างไรเมื่อพระราชาตูลว่าชื่ออย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าข้าคือสุนะโสเมื่อจะทรงธทรรมอัตตะที่เหลือให้บริบูรณ์จึงตรัสกาถาว่าเสียงที่ว่าสะมาจากสัตถีวัฏสะสหัสานิปริ ปุณนานิสัพพโสนิระเยปัจจานานังกัธาอันโตภวิสติแปลว่าเมื่อเราทั้งหลายถูกไฟไหม้อยู่ในนรกครบหกหมื่นปีโดยประการทั้งปวงเมื่อไรที่สุดจะปรากฏเสียงที่ว่านะมาจากนัทิอันโตกุโตอันโต นะอันโตปาติทิสติตทาหิปะกะตังปะปังมะมะตุยหันจะมาริสาแปลว่าผู้นิรุตุขทั้งหลายที่สุดย่อมไม่มีที่สุดจะมีแต่ที่ไหนที่สุดจะไม่ปรากฏเพราะว่ากรรมชั่วอันเราและท่านได้กระทำไว้แล้วในการนั้นเสียงที่ว่าโส มาจากโสหังหนูนะอิติคันตวาโยนิงลัทธานะมนุสิงวะทันยูศีลสัำปนโนกาหามิกุสลังพระหุนติแปลว่าเหล่านั้นไปจากที่นี่แล้วได้กำเนิดเป็นมนุษย์จะเป็นผู้รู้ถ้อยคำที่ยาโจกล่าวถึงพรอมด้วยศีลทำกุศลธรรม ให้มากแน่พระศาสดากรันต์คาถาเหล่านี้โดยลำดับปรากฏเนื้อความแล้วจึงตรัสบ่ามหาภิฏษสัตว์นรกทั้งสี่ตนนั้นปราถนาจะกล่าวคาถาตนละคาถาเมื่อไม่อาจจะกล่าวได้กล่าวตนละอักษรเท่านั้นและลงไปสู่โลหะกุมพีนั้นนั่นแหละอีก ด้วยประการชนนี้แหละได้ยินว่าจำเดิมแต่การที่พระพเจ้าประสิทธิโกสลทรงสดับแห่งเสียงนั้นแล้วช่วเหล่านั้นพลัดตกลงไปนะภายใต้อย่างเดิมแม้จนวันนี้ก็ยังไม่ล่วงหนึ่งพันปีก็ความสังเวชใหญ่ได้เกิดขึ้นแก่พระราชาเพราะทรงสดับเทศนานั้น ท้าวเธอทรงดำริว่าชื่อว่าปารัารีกากรรมนี้หนักหนอได้ยินว่าชนทั้งสี่ไม่แล้วในอเวจีนรกตลอดพุทธันดรหนึ่งจุติคือเคลื่อนจากอเวจีนรกนั้นแล้วเกิดในโลหะกุมพีนรกอันลึก60โยชนไม่แล้วในโลหะกุมพีนั้นถึงห 0,000 ืปีแม้อย่างนี้ การเป็นที่พ้นจากทุกของชนเหล่านั้นยังไม่ปรากฏแม้เราทำความเยื่อใยในปรยาของชายอื่นไม่ได้หลับตลอดคืนยันรุ่งบัดนี้จำเดิมแต่นี้ไปเราจะไม่ปลูกความพอใจในปรยาของชายอื่นละจึงกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าแค่แต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพรง์ทราบความที่แห่งราตรีนานในวันนี้ฝ่ายบุตนั้นนั่งอยู่ในที่นั้นนั่นแหลฟังถ้อยคำนั้นแล้วคิดว่าเหตุปัจจัยมีกำลังเราได้แล้วเขาจึงเข้ามากราบทูลกับพระาศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระราชาทรงทราบความที่แห่งราตรีนานในวันนี้ก่อน ส่วนข้าพระองค์เองได้ทราบความที่แห่งโยต์ไกลในวันๆพระาศาสดาทรงเทียบเกี่ยงถ้อยคำของคนแม่ทั้งสองแล้วตรัสขึ้นว่าราตรีของคนบางคนย่อมเป็นเวลานานโยต์ของคนบางคนเป็นระยะทางไกลส่วนสงสารของคนผ่านย่อมเป็นสภาพยาว เือจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระกาานี้ว่าราตรีหนึ่งของคนผู้ตื่นอยู่ยาวนานยอดหนึ่งของคนที่ล้าแล้วยาวไกลสงสารของคนพานผู้ไม่รู้อยู่ซึ่งสัตธรรมย่อมยืดยาวบาลีว่าทีคาชาคารโตรติทีคังสันตันสโยชนัง อีโคพาลานะสังสาโรสัตถมังอวิชาญะตังก่อนในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าทีคาแปลว่านานเป็นต้นนั้นหมายความว่าชื่อว่าราตรีนี้มีเพียงสามยามเท่านั้นแต่สําหรับผู้ตื่นอยู่ย่อมนานคือว่าย่อมปรากฏเป็นราวกับว่าสองเท่าสามเท่า บุคคลผู้เกียจคร้านมากทำตนให้เป็นเหยื่อของหมู่เลือดนอนกลิ้งเกลือกอยู่ตลอดจนพระอาทิตย์ขึ้นก็ดีผู้เสพกามบริโภคโภชนะที่ดีแล้วนอนอยู่บนที่นอนอันเป็นสิริ ก, ก็ดีย่อมไม่รู้ความที่ราตรีนั้นนา น, านส่วนพระโยคาวจรผู้เริ่มตั้งความเพียรตลอดคืนยันรุ่งก็ดี พระธรรมกถะึกแสดงพระธรรมกถาตลอดคืนยันรุ่งก็ดีบุคคลผู้นั่งฟังธรรมะอยู่ในที่ใกล้อาสนะตลอดคืนยันรุ่งก็ดีผู้ที่ถูกโรคตั้งหลายมีโรคในศีรษะเป็นต้นถูกต้องแล้วหรือผู้ถึงทุก์มีการตัดมือและเท้าเป็นต้นถูกเวทนาครอบงำก็ดี คนเดินทางไกลเดินทางตลอดคืนก็ดีย่อมรู้ความที่ราตรีนั้นยาวนานคําว่าโยดเป็นต้นหมายความว่าแม้โยดที่มีเพียงสี่ข่าวุธเท่านั้นสําหรับผู้เหนื่อยล้าแล้วคือผู้บอบช้าแล้วย่อมยาวไกลคือว่าย่อมปรากฏเป็นราวกับว่าสองเท่า ถามเท่าจึงอยู่คนเดินทางตลอดทั้งวันเหนื่อยล้าแล้วพบคนเดินสวนทางมาถามว่าบ้านข้างหน้ายังอีกไกลเท่าไหร่เมื่อเขาบอกว่าโยดหนึ่งไปได้หน่อยหนึ่งก็ถามคนแม้อื่นอีกเมื่อคนอื่นบอกว่าโยดหนึ่งไปได้หน่อยหนึ่งอีกก็ถามแม้คนอื่นอีก แม้เขาก็กล่าวว่าโยดหนึ่งคนเหล่านั้นถูกคนผู้เดินทางนั้นถามแล้วถามแล้วก็บอกว่าโยดหนึ่งโยดหนึ่งเขาจึงคิดว่าโยดหนึ่งนี้ใครจริงหนอย่อมสำคัญโยดหนึ่งเป็นราวกับว่าสองถึงสามโยดก็คาว่าพารานังแปลว่าของคนบ่านทั้งหลายเป็นต้น หมายความว่าชวนสงสารของคนผ่านทั้งหลายผู้ไม่รู้ประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าคือผู้ไม่อาจเพื่อกระทำที่สุดแห่งสังสารวัฏผู้ไม่รู้แจ้งสัตยธรรมอันต่างด้วยธรรมะมีโพธิปักยธรรม37เป็นต้นที่พระริยาเจ้าทั้งหลายรู้แล้ว กระทำที่สุดแห่งสงสารแล้วย่มอมชื่อว่ายาวไกลก็แต่จริงสงสารนั้นชื่อว่ายาวตามธรรมดาของตนเองสมจริงดั่งพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายอันไกล ไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแกคนผ่านทั้งหลายผู้ไม่สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้ย่อมยาวแท้ทีเดียวก็ในการจบเทสนาบุคคลนั้นผู้เป็นสามีของหญิงที่พร ะ, พระเจราเปรตที่กุศลมีจิตปฏิบัติ ด, ด้วยก็ได้บรรลุโสดาปันติผลแล้ว ชนแม้เหล่าอื่นเป็นนั้นมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิบุรเป็นตน้นเทศนามีประโยชน์แก่มาชนแล้วดังนี้แหละพระราชาถวายบังคมพระศาสด า, า, า, าแล้วก็เสด็จไปรับสั่งให้ปล่อยสัตว์เหล่านั้นจากเรื่องจองจำแล้วบรรดามนุษย์และสัตว์เหล่านั้น หญิงและชายทั้งหลายพ้นจากเครื่องผูกสนานศีรษะแล้วไปสู่เรือนของตนของตนกล่าวสรรเสริญพระคุณแห่งนางมัลลิกาว่าเราทั้งหลายหน้ชีวิตพระอาศัยพระเทวีองค์ใดขอพระนางมัลลิกาพระเทวีองค์นั้นผู้เป็นพระแม่เจ้าของเราทั้งหลายจงพระชนอยู่ตลอดกาลนานเทิน ก็ในเวลาเย็นภิกษุทั้งหลายได้สนทนาในโรงธรรมว่าน่าสรรเสริญพระนางมริกานี้ฉลาดหนอทรงอาศัยพระปัญญาของพระองค์ได้ให้ชีวิตทานแก่ชนมีประมาณเท่านี้แล้วตอนพระนางมริกาเคยช่วยทุกคนในชาติปางก่อนพระาศาสดาเสด็จมาแล้ว ตรัถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เติดนทั้งหลายนั่งประชุมด้วยถ้อยคําอะไรน้อแล้กเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยถ้อยคํำชื่อนี้พระาศาสดา จ, จึงตรัสขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายพระนางมลิกาทรงอาศัยพระปัญญาของตนได้ให้ทานคือชีวิตแก่มหาชนเหล่านั้นในบัดนี้เท่านั้น ก็หาไม่ได้ถึงในการก่อนพระนางก็ได้ให้แล้วเหมือนกันเมื่อจะส่งประกาศความนั้นจึงได้นำอดีตนิทานมาตรัสว่าก็ในอดีตการโอรสของพระเจ้า พ, พระณศีเข้าไปสู่ต้นใสต้นหนึ่งแล้วทรงอ้อนมอนเทวดาผู้เกิดนะต้นใสนั้นว่าข้าแต่เทวราช ผู้เป็นเจ้าในจุมบุทวีปนี้มีพระราชา101หนึ่งคนมีพระมเหสี101หนึ่งคนถ้าข้าพระเจ้าจะได้รัชสมบัติโดยการล่วงไปแห่งพระราชบิดาแล้วไซข้าพระเจ้าจะทำปรีกรรมด้วยเลือดในลำคอของพระราชาและพระอั拉มมเหสีเหล่านั้นพระกุมารนั้นเมื่อพระบิดาสวรรคตแล้ว ได้รับราชาสมบัติสมประสงค์จึงได้ทรงมีดาริขึ้นมาก็เราได้ราชาสมบัติด้วยอนุภาพของเทวดาเราจะทำพลีกรรมแก่เทวดานั้นจึงเสด็จออกไปด้วยเสนาหมู่ใหญ่ทำพระราชาพระองค์หนึ่งให้เป็นไปแนานาจของตนแล้วทำพระราชาองค์อื่นและอื่นอีกกับด้วยพระราชาของพระองค์นั้น ให้อยู่ในอำนาจของตนธรรมราชาทั้งหมดให้อยู่ในอำนาจของตนด้วยประการชนีทรงพาไปพร้อมกับพระอัคราเมหสีทั้งหลายทรงละพระเทวีพระนามว่าธรรมทินนาผู้ทรงพระคันแก่ซึ่งเป็นพระอัคราเมหสีของพระราชาพระนามว่าอุคเสนะซึ่งเป็นพระราชาองค์เล็ก กว่าพระราชาทั้งปวงเสด็จไปแล้วมีความนํารว่าเราจะให้ชนเหล่านี้ดื่มน้ำเจือยาพิษให้ตายจึงให้ชนทั้งหลายชําระโคนไม้ให้สาดแล้วเทวดาวมีความคิดว่าพระราชาองค์นี้เมื่อจับพระราชาประมาณเท่านี้ทรงอาศัยเราจับแล้ว เทาเธอส่งใครจะทำบรีกรรมแก่เราด้วยโลหิตในลำคอของพระราชาเหล่านั้นก็ถ้าพระราชานี้จะทรงสำเร็จโทษพระราชาเหล่านั้นใช้พระราชวงศ์ในจุบุทวีปจะขาดศูนย์แม้โกนต้นไม้ของเราก็จะไม่สะอาดเราจะห้ามพระราชานั้นได้ไหมน้อแลเทวดาจึงใครครวนรู้อยู่ว่าไม่อาจ จึงเข้าไปหาเทวดาองค์อื่นแล้วบอกเนื้อความนั้นกล่าวว่าท่านจะอาจหรือเทวดาที่ถูกถามนั้นก็ห้ามแล้วจึงเข้าไปหาเทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นอย่างนี้คือเข้าไปหาเทวดาองค์อื่นและองค์อื่นแม้ถูกเทวดาเหล่านั้นเหล่านั้นห้ามแล้วจึงไปสานักของท้าวมาราทั้งสี่ ในเวลาที่ท้าวมหาราชทั้งสี่นั้นห้ามแล้วด้วยคำว่าพวกเราไม่อาจแต่ว่าพระราชาของเราทั้งหลายเป็นผู้วิเศษกว่าพวกเราด้วยบุญและปัญญาท่านจงทูลถามพระราชานั้นเดิดเนีนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าท้าวสักกะกราบทูลเนื้อความนั้นแล้วทูลว่าขอไดชะ เมื่อพระองค์ถึงความเป็นผู้ขวนขวายน้อยเสียคติยวงจะขาดศูนย์พระองค์จงทรงเป็นที่พึ่งพํำนักแห่งคติยวงนั้นเถิดท้าวสกะดจุนายตัดกินว่าแม้เราก็ไม่อาจเพื่อจะห้ามพระราชานั้นแต่จะบอกอุบายแก่ท่านแล้วทรงบอกอุบายว่าไปเถิดท่านเมื่อพระราชาทรงเห็นอยู่นั่นแหละ ท่านจงนุ่งผ้าแดงแสดงอาการดุดออกไปจากต้นไม้ของตนเมื่อเช่นนั้นพระราชาทรงดําริว่าเทวดาของเราไปอยู่เราจะให้เทวดานั้นกลับมาแล้วจะอ้อนวอนท่านด้วยประการต่างๆเมื่อเช่นนี้ท่านจงกล่าวกับพระราชาว่าท่านบนต่อเราไว้ว่าจะนําพระราชาหนึ่งหนึ่งกับพระ อ克拉เมสีทั้งหลายมาทําพลีกรรมด้วยโลหิตในลําคอของพระราชาเหล่านั้นแต่ทรงทิ้งพระเทวีและพระหุคเสนาไว้แล้วเสด็จมาเราจะไม่รับปลีกรรมของผู้มักพูดเท็จเช่นกับพระองค์ก็ในยะ ว, ว่าเมื่อท่านกล่าวอย่างนี้พระราชาจะให้นําพระเทวีนั้นมาพระเทวีนั้นจะแสดงธรรมแก่พระราชา ให้ชีวิตทานแก่ชนมีประมาณเท่านี้ลาวสักะกบอกอุบายนี้แก่เทวดาด้วยเหตุนี้เทวดาได้กระทำตามนั้นแล้วแม้พระราชาก็รับสั่งให้นำพระเทวีนั้นมาแล้วตอนเทวดาบูชาพระนางธรรมทินนาพระเทวีนั้นมาถวายบังคมพระราชา ผู้สวามีของตนเท่านั้นแม้ประทับนั่งนะที่สุดแห่งพระราชาเหล่านั้นพระราชากลิ้วต่อพระเทวีว่าเมื่อเราดํารงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่กว่าพระราชาทั้งปวงนางยังไหว้สามีของตนซึ่งเป็นผู้น้อยกว่าพระราชาทั้งปวงได้ลำดับนั้นพระเทวีจึงทูลพระราชาหนึ่งว่าเรื่องอะไรของหม่อมฉัน ต้องเกี่ยวข้องในพระองค์เล่าก็พระราชาพระองค์นี้เป็นสามีผู้ให้ความเป็นใหญ่แก่หม่อมฉันหม่อมฉันไม่ไหว้พระราชาองค์นี้แล้วจะไหว้พระองค์เพระเหตุไรก็เมื่อชนนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นเทียวรุกรเทวดาจึงกล่าวว่าอย่างนั้นพระเทวีผู้เจริญอย่างนั้นพระเทวีผู้เจริญแล้วบูชาพระเทวีนั้น ด้วยดอกไม้กับมือหนึ่งพระราชาจึงตรัสว่าถ้าเธอไม่ไหว้เราไซด์เพราะเหตุไรจึงไม่ไหว้เทวดาของเราผู้มีอนุภาพมากอย่างนี้ผู้ให้สิริแห่งความเป็นพระราชาเล่าพระเทวีทูลว่าข้าแต่มหาราชพระราชาทั้งหลายอันพระองค์ทรงตั้งอยู่ในบุญของพระองค์จึงจับได้ ไม่ใช่เทวดาจับถวายเทวดาก็กล่าวกับพระเทวีอีกว่าอย่างนั้นพระเทวีผู้เจริญข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วบูชาพระเทวีด้วยดอกไม้กำมือหนึ่งเหมือนอย่างนั้นอีกพระเทวีนั้นจึงตูนพระราชาว่วาพระองค์ตรัสว่าพระราชาทั้งหลายประมาณเท่านี้เทวดาจับให้แกเราบัดนี้ ต้นไม้ถูกไฟไหม้ณนะที่ข้างซ้ายในเบื้องบนแห่งเทวดาของพระองค์เพราะเหตุไรเทวดาจึงไม่อาจเพื่อจะยังไฟนั้นให้ดับได้ถ้าเทวดามีอนุภาพมากอย่างนั้นจริงเทวดาจึงกล่าวกับพระเทวีแม้นั้นอีกว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเทวีผู้เจริญข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็บูชาพระเทวีเหมือนอย่างนั้นอีก พระเทวียืนตรัสอยู่ทั้งส่งพระกันแสงคือร้องไห้ทั้งส่งพระสวนคือหัวเราะลำดับนั้นพระราชาจึงตรัสกับพระเทวีนั้นอีกว่าก็เธอเป็นบ้าไปแล้วหรือพระเทวีขอเดชะพระเหตุไรพระองค์จึงตรัสอย่างนั้นหญิงทั้งหลายผู้เช่นกับหม่อมฉันไม่ได้เป็นบ้าพระราชา ก็เมื่อเช่นนั้นพระเห็นไรเธอจึงร้องไห้และหัวเราะเล่าพระเทวีขอบพระองค์จงทรงสดับเถิดมหาราชก็ในอดีตการหม่อมฉันเป็นกุลิธิดาเมื่ออยู่ในตระกูลสามีเห็นแขกผู้เป็นสายของสามีมาแล้วใคร่เพื่อหุงข้าวเพื่อแขกนั้นจึงให้กะหาปณ ะ, ะแก่นางทาสีด้วยสั่งว่า เจ้าจงซื้อเนื้อมาก็เมื่อนางทาสีนั้นไม่ได้เนื้อมาแล้วก็กล่าวว่าเนื้อไม่มีจึงตัดศีสะแม่แพะที่นอนอยู่เบื้องหลังเรือนจัดแจงพัดเสร็จหม่อมฉันนั้นตัดศีสะแม่แพะตัวเดียวไม่ในนรกด้วยเศษผลแห่งกรรมจึงได้ถูกตัดศีสะด้วยการนับขนแม่แพะนั้น พระองค์สำเร็จโทษจนมีประมาณเท่านี้เมื่อไหร่จึงจะพ้นจากทุกข์หม่อมฉันระลึกถึงทุกข์อันใหญ่ของพระองค์ดังนี้อย่างนี้จึงร้องไห้ณ น, นี้แล้วพระนางจึงได้ตรัสกาถานี้ขึ้นว่าหม่อมฉันตัดคอแม่แพะตัวเดียวไม่อยู่แล้วในนรกด้วยการนับคนของแพะข้าแต่พระองค์ผู้เป็นกษัตริย์ พระองค์ตัดคอของมนุษย์เป็นจำนวนมากจะกระทําอย่างไรพระราชาก็เมื่อเช่นนั้นแล้วเธอหัวเราะเพราะอะไรพระเทวีข้าแต่มาราชมอมฉันได้ยินว่าเราพ้นจากทุกนั้นแล้วจึงหัวเราะเทวดากล่าวกับพระเทวีนั้นอีกว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเทวีผู้เจริญข้อนั้นเป็นอย่างนั้น แล้วบูชาด้วยดอกไม้กับมือหนึ่งพระราชาจึงทรงดำริว่าน่าสลดจริงกรรมของเราหนักได้ยินว่าพระเทวีนี้ฆ่าแม่แพะตัวเดียวไม่ในนรกแล้วด้วยเศษแห่งผลกรรมยังถูกตัดศีสะด้วยการนับขนแห่งแม่แพะนั้นเราฆ่าคนมีประมาณเท่านี้จะถึงความสวัสดีเมื่อไหร่ นี้แล้วจึงทรงปล่อยพระราชาทั้งหมดถวายบังคมพระราชาผู้แก่กว่าตนทรงประคองอัญชลีแก่พระราชาผู้หนุ่มกว่ายังพระราชาทั้งหมดให้สงบโทษแล้วทรงส่งไปสู่ที่ของตนของตนอย่างเดิมพระศ า, ศาสดากรัฐทรงนำพระเทศานานี้มาแล้วจึงตรัสว่า อย่างนั้นภิกษุทั้งหลายพระนางมาลิกาอาศัยปัญญาของตนได้ให้ทานคือชีวิตแกมหาชนในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้ถึงในการก่อนพระนางก็ได้ให้ทานคือชีวิตแล้วเหมือนกันแล้วทรงประชุมเรื่องอดีตนั้นบ่าพระเจ้าพระนสีในการนั้นได้เป็นพระเจ้าประเสริฐที่โกศล พระนางธรรมทินาเทวีเป็นพระนางมริการุกขเทวดาคือเรานี่ยเองการส่งประชุมเรื่องอดีตอย่างนั้นแล้วเมื่อจะส่งแสดงธรรมอื่นจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชื่อว่าปานาติบาตเป็นโทษไม่สมควรแก่บุคคลจะพึงกระทำเพราะว่าบุคคลผู้ฆ่าสัตว์เป็นปกติ ย่อมเศร้าโศกสิ่งกาลนานแล้วจึงทรงตรัสประกาถานี้ว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้อย่างนี้ว่าชาติสมบัตินี้เป็นทุกข์สัตว์ไม่พึงฆ่าสัตว์เพราะว่าผู้ฆ่าสัตว์เป็นปกติย่อมเศร้าโศกเรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่ง